เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวมปโพธิญาณในวันนี้ก็จะขยายความในตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ตามระยะที่ส่งแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรคือมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยที่จริงเป็นพระสูตรหลักที่ใช้เป็น เครื่องมือในการเจริญกรรมฐานของพุทธบริษัททั้งหลายก็เรียกว่าทั่วโลกกันนะเพราะอะไรเพราะว่ารวมไว้ทั้งหมดเกิดตัมาทั้งปวงเนี่ยทรงแสดงสรุปรวมไว้ที่มหาสติปัฏฐานสูตรแข่งเลยคือถ้าเรารวยดีแล้วก็คือขยายข้อความจากธรรมจักรวัฒนสูตรมาอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรได้ทรงแสดงลักษณะของตานหาเหมือนกับ ในธรรมจั ก, กรกวัตนาสูตรแต่ว่าในธรรมจั ก, กรกวัตนาสูตรนั้นไม่ได้ขยายไม่ได้ขยายความหมายของกรอบของคําแต่ละคำอย่างที่ตอนที่ว่าด้วยทุกษะจ่มาใช้เวลาหลายวันบริงควรแล้วที่จริงก็คือในย่าที่ทรงอธิบายในมารติปถานาสูตรกันเองเพราะาในธรรมจั ก, กรกวัตนาสูตรจะทรงใช้ตัวสูตรหลักเลย คืชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์เล่ากล่าวโดยสูปรวิจิตติยึดมั่นหรือมั่นในการทั้งห้านี่เป็นทุกข์จะรับสั่งเพียงเท่านั้นแต่พอมาถึงมหาสติปัฏฐานสูตรที่จะทรงอธิบายความหมายของคาแต่ละคําชาติคืออะไรชราคืออะไรมรณะคืออะไรความโศกคืออะไรปริเทวะคืออะไรเพราะเวลาเนี่ยมันเรามีเอกสารที่ คนก็ยกย่องกันนะฮะคือไปพบไปเห็นว่าท่านออกมาจากไหนท่าน้บอกชาติในเปื่ความเกิดเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็คือชาติความเกิดในความเกิดที่พระเจ้าทรงแสดงเองนะฮะไม่ได้รับสั่งอย่างนั้นทรงหมายถึงความเกิดในกําเนิดทั้งสี่ประการ้วยะเปิดที่ไหนดูก็ได้นะใครอธิบายก็ได้พระอาจองค์ไหนก็ได้นะจะเหมือนกัน คือหมายถึงการเกิดในกําเนิดทั้งสี่หรือแม้แต่การเมตสมิชาจารย์เนี่ยบางทีเราก็มาอธิบายว่าการเมตสุมิจชาจารย์นั้นก็คือไปร่วงเกินสิ่งที่เขารักนะฮะเช่นว่าโอารถเขาไปขับเล่นได้ว่าไปทําเสื้อผ้าเขาให้ยับไปทําของอะไรต่ออะไรให้แตกเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะอันนั้นถ้าเป็นแล้วก็เป็นอธินาทานเลยการเมตสมิชาจารย์หมายถึงมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่น ส่วนละเมิดสิทธิในเรื่องอื่นอย่าทรมานอย่าทุรกัจะพจนสัตว์อย่าทําอันตรายชีวิตได้เกิดการบาดเจ็บอะไรต่ายทั้งนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของอธิษฐานคือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นอันนี้คืออัตถะกับพยัญชนะหมายความอัตถะมันเป็นอย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างเนี้พยัญชนะใช้อย่างนี้อัตถมันจะบอกอย่างนี้ทีนี้บางทีเนี่ยขึ้นสําคัญว่าตัวพยัญชนะตัวนี้อยู่ที่ไหนล่ะ เรก็ต้องสังเกตกยายาเหมือนกันว่าพยัญชนะคำนี้ยบางทีอยู่แห่งเนี่ยความหมายมันอีกอย่างเนึงเช่นสวดวนาโงอณานาคนาคะนาค่าเทววนาค่ะปัญหาเขาอยู่ที่ไหนล่ะบางทีนาคนั้นอาจจะหมายถึงพระอรหันต์ก็ได้นาอาจจะหมายถึงงูก็ได้อาจจะหมายถึงช้างก็ได้อาจจะหมายถึงเทวดาก็ได้อาจจะหมายถึงต้นไม้ก็ได้ก็แล้วแต่เราก็ต้องอ่านข้อความข้างบนลงมาดูว่าตรงนี้ยหมายถึงอะไร อันนี้คือคือพยัญชนะเนี่ยมันมันซ้ําแต่ว่าอันถัดต่างกันทนีบางอย่างคล้ายๆกับภาษาไทยเราเนี่ยมันมีพ้องศัพท์พ้องเสียงกับพ้องรูปเดีย๋ยวม่เราอา่านว่าวัดเขมาก็ได้นะฮะโกดขมเหลาก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรประนึ่งอยู่ตรงไหนล่ะอ่านเขมาก็ถูกอ่านขมเหลาก็ถูกอ่านเสลาก็ถูกอ่านสหลก็ถูกแต่ว่าขึ้นอยู่กับการ วางของรูปศัพท์ตรงนั้นวัตธรรมะข้อนี้ถ้าดูพุท ธ, ธาธิบายคือต้องนึกถึงพุท ธ, ธาธิบายนะเพราะถ้าหากว่าเราไปคิดกันเองแล้วก็คงจะตีกันยุ่งหมดเลยพอดูพุท ธ, ธาธิบายาทรงอธิบายว่ายัางไงล่ะเราต้องเชื่อมั่นในตรงนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยเราเจอเด็กที่แกเติบโตมาจากต่างประเทศ เราสนใจนะหลวงพ่อย่างงั้นอย่างนี้นยังให้ถามเยอะพออธิบายฟังบอกหลวงพ่อไม่รู้เองนะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างเนี้ยเราอธิบายฟัยงแกสแสดงการไม่เชื่อเลยก็บอกไว้เชื่อไว้บ้างเถอะเชื่อบาปเชื่อบุญไว้บ้างเชื่อนรกสวรรค์ไว้บ้างเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราล่ชั่วประพฤติ ด, ดีคนที่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่อง น, นรกสวรรค์เนี่ยมันมีได้กับได้ คนไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อนรกสวรรค์นี่มีเสียก็เสียไอเรื่องชาติหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราอาศัยพยานของพระพุทธ เ, เจ้าเอาพระเจาทรงแสดงว่ามีก็มีคืยชอบใจหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นอาจารย์ก็อาจารย์ปีดีกเกษมทราบท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นเรียนวัเยรมันนะั่นสิบสี่ปีแล้วเรียนที่อเมริกาแลแต่หลายปีนะันอยู่่างประเทศเนี่ เราก็สนใจศึกษาเรื่องศาสนาแต่ว่าจริงๆก็ติดใจเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องสังสารวัฏอนะไรนี่ติดใจก็มาที่ต่างจังหวัดกลับมาบ้านไปถามหลวงปู่ต่างจังหวัดหลวงปู่อย่างงี้มีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมชาตินี้ชาติหน้ามีจริงไหมอะไรตนะ่ัวไหนหลวงปู่ท่านไม่พูดมากอะ่ะท่านบอกว่าเออข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงมไม่โกหกเรานะ ส่งแสดงว่ามีข้าก็เชื่ อ, อว่ามีเพราะว่าพระเจ้าไม่คงคงไม่โกหกเราก็เท่านั้นก็พอแล้วนะฮะคือจับหลักก็อย่างนี้ทีนี้ตัวนี้ที่จริงมันค่อนข้างลึกซึ้งกว่าคือเป็นการอธิบายทรงตั้งปัญหาถามว่าตัญหาเนี่ยเมื่อจะเกิดเนี่ยย่อเกิดที่ไหนได้ว่าจะตั้งอยู่เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ไหนในชั้นแรกก็อายตนาภายในขึ้นมาก่อนแนละ หมายความว่าถ st ้าเกิดก็เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่ลิ้นเกิดที่กายและเกิดที่ใจถ้าตั้งอยู่ล่ะก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มีข้อแม้นะเราต้องกําหนดกันกำหนดว่าสิ่งนั้นนี่ยน่าคราน่าปรารถนาน่าพอใจบางก็เกิดเป็นการมาตรหานกับภาวะดันหาแต่เราไปกําหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็เป็นวิภาวะดันหาและนี้เป็นเรื่องแน่นอนว่า เมื่อเมื่อก่อนมันยังไม่เกิดถ้าเราไม่กําหนดเนี่ยมันจะกําหนดไม่ได้เห็นไหมถ้าเราไม่กําหนดมันก็ไม่กําหนดให้ลองสังเกตดูง่ายๆนะฮดูง่ายอย่างเงี้ยสมมติว่าในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์ญาติพี่น้องทึ่งแยกย้ายกันไปอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศในบางทีทของโลกนะฮะกลับมาเจอกัน นะผู้หญิงอาจจะเกิดพอใจผู้ชายสักคนหนึ่งผู้ชายอาจจะพอใจผู้หญิงสักคนหนึ่งนะฮะตอนตอน้ตนๆเนี่ยพอใจในทางเพศเลยแต่เสร็จแล้วพอมาเจอกันในหมู่ปู่ย่าตายายทั้งก็แนะนําไม่รู้จักกันปรากฏเราเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานพี่หลานน้องกันไอความรู้สึกเดิมเนะี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยมันจะมีความรักแต่รักกันฉันพี่กับน้องนั้นเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันเกิด ตัญญามันเกิดมันเป็นลดกามมาลาครับเป็นลดกรรมตัณหาลงไปเพราะฉะนั้นยังทรงแสดงว่าตัณหาไม่จะเกิดก็เกิดที่เนี่ยที่เตาหงเมลิ้นกายใจไม่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เตาหูจมลิ้กายใจเนี่ยเพราะนั้นเวลาจริงๆเวลาพูดในสายตรงนี้เวลาเรียกบาลีเต็มๆนะเรียกว่ารูปตัณหาสัทธาตัณหากัญธาตนาและสัตนาปุภะตัณหาธรรมตัณหาเราถามมาหมดละอย่างหมดแล้วฮะให้เราสังเกตว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ย สิ่งที่เราอยากเป็นหรือแม้แต่สิ่งที่เรายอมยังไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเห็นนะฮะก็สิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมในจมงงูกริมลิ้นถูกต้องในกายไม่ได้อื่นไปจากนี้ไลยปัญหาสาคัญว่าถ้าเรามีสติบิดกั้นกระแสะของความอยากเอาไว้สักบ้างโดยเฉพาะในยุคของโลกาภิวัตเป็นกระแสะที่น่ากลัว อเ น, นี่ยมาผู้กรเดกเด็กแกพูดเรื่องนี้มากเพราะเรารู้สึกว่าถ้าปรุงจิตเราไม่แข็งพอเนี่ยลูกหลานเราจะอยู่ยากนะอยู่ในโลกนี้จะอยู่ยากมากเพราะว่าแรงกระตุ้นจากสื่อทั้งหลายเนี่ยคือรูปรูปที่มันปรุงแต่งมาอย่างดีวันก่อนเนี่ยคุยกับกรองผู้จัดจา ก, การใหญ่ของ ห้างสินค้าใหญ่ในประเทศไทยนะฮะมีสาขาอยู่ตั้งพันหกร้อยกว่าสาขาถามด้วยวิธีการโอ้โหไอ น, นี้โลกโลกียารมเลยนะโลกียารมเลยคือมันมีการสมรวจตลาดสมมุจด้วงความต้องการของตลาดเขาต้องการรูปอย่างไงเสียงอย่างไงกลิ่นย่างไงรถอย่างไงสัมผัสอย่างไง นะที่เป็นที่พอใจก็คนทั้งหลายเนี่ยมันก็ปรุงแต่งให้ถูกตันหาของมนุษย์ดูตันหาของมนุษย์สารวจตันหาของมนุษนย์ไวาจนถึงก็มีการเล่าว่าอาหารสุดนักเนี่ยอาหารสุดนักในเมืองนอกเนี่ยเขาสารวจเขาไปนั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยไปดูว่าใครกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้ออาหารสุดนักนี่คือใครปรากฏว่ามีคนแก่ ซึ่งไม่มีลูกหลานแล้วก็อยู่กับสุนัขเลี้ยงดูสุนัขเหมือนกับลูกเนี่ยซื้อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ เ, เห็นเด็กซื้อแต่ว่าอาหารสุนัขมันวางไว้สูงเด็กเอื้อมไม่ถึงต้งไม่ถึงวันที่แกก็ไม่เอาไป เ, เลยนเพราะหมาจากจากการสังเกตก็มาว่าคนแก่เนี่ยก็ก็แก่นะ่ะเอื้อมไม่ก็ถึงเหมือนกันไอ้เด็กมันก็ตัวเตี้ยเอื้อมไม่ก็ถึงเหมือนกันเพราะนวางไว้ในที่ที่คนแก่เหยียดได้ แล้วก็เด็กกินได้ปรากฏว่ายอดจําหน่ายอาหารสุ น, นัขเนี่ยมันพุ่งกระชูดเลยเห็นไหมที่จริงก็คือตัณหาหมายความว่ารูปเนี่ยอาหารเนี่ยมันมีการโฆษณาชวนเชื่อจนคนลหลงไหลคล้ายกๆกับเป็นอาหารทิพย์อาหารกายสิทธิ์อะไรแล้วคนเหล่านี้รักสุ น, นัขเด็กก็รักสุ น, นัขอย่างเด็กคนแก่ก็รักสุ น, นัขจะรู้สึกผูกพันทั้งสองฝ่ายนะคนแก่ก็รู้สึกผูกพันเด็กก็รู้สึกผูกพัน เป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องนะครับผูกพันมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้ของดีๆก็ไปให้แล้วเราเห็นชัดเจนมากเลยนะตมาเคยพูดมาสมัยที่พัตตาคารสมัยเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะบอกให้ญาติโยมลองสังเกตดูว่าพัตตาคารเนี่ยมันควรจะขายเรื่องอาหารแล้วทําไมล่ะทําไมรูปสวยๆไปล่อล่ะ ทำไมต้องกรอมได้ดนตรีเอาเสียงไส้รอบไส้รอบมาแล้วก็ปรุงอาหารอย่างดีโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดีนะมีสีสันนะอาหารบางอย่างต้องกรอบอาหารบางอย่างต้องนิ่มอาหารบางอย่างต้องโชยแตะจมูกอะไรต่อะไรเนี่ยมามีการปรุงแต่งกันแทุกท่ันแล้วยังอุตส่ามีอะไรละ่ะมีกลิ่นหอมหอมของอาหารบ้างของอะไรแต่ออะไรบ้า และยังมีพันธุ์ได้เหะคือสัมผัสกินข้าวเนี่ยมาเอาคนอื่นมาวุ่นด้วยตกลงว่าข้าไปทีหนึ่งมันกินได้เพราะอาหารไม่ได้กินได้เพราะอาหารแต่มันกินรูปสวยๆกินเสียงไพเราะกลิ่นรส อ, อร่อยกินสัมผัสตีหน้าจับต้องและใจมันก็เบิกบานตั้หามันก็ฝูเราไม่น่าเชื่อนะฮะว่ า, าคาถาขารเนี่ยมันใหญ่มาหาศาลมาก ยังนึกว่าลงทุนหลายร้อยล้านเอ๊ะมันอยู่ได้ยังไงก็เราอยู่ได้นะเพราะอะไรเพราะการนำโฆษณามันเป็นกระตุ้นตัณหาของมนุษย์เพราะแนวของธุรกิจทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านรู้ฟังลองสังเกตว่าเศรษฐธุรกิจเนี่ยคือตัณหาเนี่มายความกระตุ้นตัณหากระตุ้นมนุษย์มีมีจุดอ่อนตรงไหนละ่ะทายังไงที่ให้เขารู้สึกชอบเขารู้สึกว่าเขามีสถานะ นะกินอย่างนี้มีสถานะกินพัตาคารอย่างนี้มีสนะกินอาหารอย่างนี้มีสถานะมันก็บริโภคทั้งตัณหาบริโภคทั้งมานะบริโภคทั้งทิฏฐินะเราก็เป็นคนสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นและบางครัง้งบางคราวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นอัตตาใหญ่โตเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารตาม ตามพัตาคาลหรือตามอะไรก็ตามที่จริงๆก็นี่บนพระไปฉันที่บ้านอะไรเนี่ยแต่ของมันหลน่นนะบางทีก็อัตตามันใหญ่เนี่ยไม่ยอมหยิบแต่ยังนึกว่าก็เราทําหล่นเองอะ่ะก็ทํำไมไม่หยิบละ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่อัตราเราใหญ่โตขนาดไหนแต่บางคนเขาไมหยิบนะไม่หยิบแต่มารู้สึกว่าเราต้องหยิบเราต้องรับผิดชอบ อาหารก็อยู่ในจานเราทําหล่นได้ไงหยิบแล้วก็วางไว้ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะนี่ก็คือก็คือสิ่งที่ลองลองสังเกตว่ารูปเสียงรถโลกเราเป็นโลกของสัมผัสพูดไปพูดมาาก็เจอตาหูจงูลิ้นก า, ายใจอยู่ตลอดนัแล้วก็แสดงว่าจะเกิดตัณหาหรือไม่เกิดตัณหานี่ยอยู่ที่เราปรุงเอาเท่านั้นเองแล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาเราก็ไขว้าเราก็เป็นทูก เพนทีเราดูเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตเอาพ่อพ่อบุญธรรมของเตียวเสี้ยนเนี่ยนะในเรื่องสามโบกรืมชื่ออะไรชื่อไงชื่อจีนแบบอย่างก็จะเห็นว่าเขาเอาเตียวเสียนเนี่ยไปยั่วทั้งลิปโป้ทั้งตังโตเลยกระตุ้นให้เกิดความกันหนะักไอ้ไอ้ตังโตก็เสือเท่านะอยากกินย่าอ่อนหัวแก่อยากกินด่าอ่อนอลิปโป้ก็เด็กหนุ่มขุนพลหนุ่ม ต้องการสาวสวยก็ใช้เป็นเครื่องมือเห็นไหมรูปสวยๆแน่นอนเสียงต้องไปรอดด้วยนะแต่ว่าสัมผัสก็น่าจะต้องอย่างน้อยที่สุดนี้เดอกก็มีการามคูณนี้ครบแหละฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน่าคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจเล่นเอาขุนศึกใหญ่ขนาดนั้นนะ น, นะก็ฆ่ากันตายเองรูปบุญธรรมต้องฆ่าพ่อตายเพื่อได้ครอบครองรูปที่สวยสวย นั่นก็คือกระแสของกัรหาแล้วก็นำไปถูทุกนะฮะเราจะเห็นว่าในสุดก็เห็นชัดเจนพวกเหล่านี้จริงถ้าเราอ่านเราดูให้ดีไม่ใช่ปไม่ว่าประวัติศาสตร์วรรณคดีหรืออะไรก็ตามเป็นเป็นการกระตุน้ในให้เรามองมุในแง่ของธรรมะแล้วถ้าเราไปอ่านแม้หนังสือโบราณเน สื่อโบราณแต่เราก็ไม่ผิดเวลาแต่นะั่นเองคือหนังสือโบราณจริงๆถ้าเราอ่านแล้วมันก็มีอะไรอยู่จ้ะมองในมุมธรรมะเราก็ได้ธรรมะมองในมุมกิเลสเราก็เห็นว่าเออเนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วตัวเนี้ยถ้าขยับขยี้ดไปที่อื่นนะหมายความว่าแทนที่เราจะพูดในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของธุรกิจการทํามาค้าขายเนี่ยคือเพื่อดูตันหามนุษย์อให้ถูกตันหาของมนุษย์แล้วกัน มันก็บาทีเราก็สร้างกระแสเอาเกระแสเอาก็มีรสนิยมสูงต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ต้องกินอย่างนั้ น, น, น, น, น, นคือแสดงถึความมีรสนิยมสูงและอย่างนึกนะฮะว่าสังคมเรากำลังพ่ายแพ้นะฮะว่าทําไทยเริ่มพ่ายแพ้เพราะว่าเราอ่อนแอในด้านของการรับสื่อแล้วจิตใจไม่มั่นคงไม่หนักแน่นพอมันก่อนที่เขาพูดถึง ตอนสงกรานนะฮะก็บอกว่าคนไทยออกเที่ยวต่างประเทศถึงห้าหมื่นสองพันคนมาลองนั่งคิดคิดดูตีต่างว่านะฮะคนเหล่านี้จ่ายคนหนึ่งโดยเฉลี่ยนะฮะว่าประมาณสัก6สักห้าหมื่นเงินซาต่างประเทศก็ไหลออกไปเยอะแยะนั่นแสดงอะไรฮนะ แสดงวาต้องการดูรูปสวยๆสวยเสียงไพเรอะกลิ่น้อมหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องแล้วก็มีการปลูกเสกในการปลูกเสกเราเคยอ่านหนังสือวรรณคดีจีนตั้งแต่โบ ร, ราณเรื่องเมืองหางโจเรื่องทะเลสาบซีหูเรื่องอะไรท่ามันมันมันจินตนาการคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับน้ำตกไซโยกไหนเห็นฮะเราได้ยินเสียง แต่ที่จริงมันกระตุ้นให้ไปหารูปแล้วก็ลงสัมผัสเพราะให้เพลงกรเหมนใส่โยกเนี่ยมันกระตุ้นเสียงตัณหาก็เกิดที่เสียงเสียงเพลงไปรอบมากแล้วก็อยากอยากจะดูอยากจะลงอาบน้ำในตรงนั้นก็อย่างน้อยก็เพลงกระเหมนใส่โยกมันสร้างจินตนาการทางตาทางหูแล้วก็ทางกายต้องการสัมผัสทางกาย พอเราไปแล้วมันก็อย่างนั้นอย่า ง, ง น, นั้นไดแ้มาได้ที่ไปในตอนสงการเนี่ยเขานี่ยวน ไ, ไปเนี่ยก็นำไปพักที่นี่ น, นะริมบึงริมตลาดทะเลสาบศรีทะเลสาบศีหูเนี่ยแล้วก็ตอนรับฉันดีเลยนะแล้วก็พยายามมองพยายามดูมันมันมันเป็นการปลุกเสกขึ้นมาเฉย ยัง น, นึกถึงลำตะคองเลยหมายความลาตะคองของเราเนี่ยถ้าจัดการให้ดีนะแล้วขุดลอกให้เรียบร้อยแล้วจัดการให้ดีออกแบบแปลนแผนผังขึ้นมาให้ดีแล้วก็จัดขึ้นเป็นแหล่งการท่องเที่ยวจะมีธุรกิจในด้า น, นต่างๆนี่เกิดขึ้นอีกมากมายแก่ ก, ก่อนแล้วทำโฆษณาให้ดีนะคนจะไปกันเยอะเลย เพราะในการการโฆษณาเนี่ยคืออะไรคือกระตุ้นทางทางหูก็ทําไม่อยากดูรูปมันก็ทีเอารูปมาด้วยรูปมาให้ดูเสียงนี่เอามาไม่ได้ยังไม่กลิ่นเอามาไม่ได้มันก็ต้องใช้พันนาใช้เสียงพันนาเห็นไม่ยอ่อยอดพระลออะไรต่อไรเนี่ยพันนาถึงพระเพื่อนพระแพงอะไรต่อไรก็โวยมันไปกันใหญ่เลยแอ้เนี่ยคือคือใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้บวกใช้ลบไม่ได้แปลกอะไร เป็นขึ้นอยู่กับใครต้องการเอาไปใช้อะไรอย่างพระเขมาเถรีซึ่งเป็นพระอรหันต์ระดับป า, ากกาวิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าพิมิสารก็ใช้ตัณหาเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นตัณหาคือให้คนบรรเลงความสวยงามของพระเวรุวันด้วยภาษาของกวีนะครับเวรวันก็คือเวรุวันนั่นแหละ แต่ว่าเมื่อก ว, วีไปมองแบบความรู้สึกของก ว, วีมันก็พัฒนาออกไปแบบก ว, วีมันสร้างแรงบันดาลใจให้พระนางเขามาเนี่ยสอบถามเลยมันอุทยานอะไรก็บอกพระเวรวันโอเวรวันสวยงามขนาดนี้เฉยนะท่านไม่กล้าไปนะเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั้นกลัวพระเจ้าจะพูดเรื่องความไม่สวยงามของร่างกายโพไทยมันทนเสียงราวนี่ไม่ไหวมันได้ยินเสียงมันอยากดูรูป แล้วก็อยากจะฟังเสียงขับด้วยละ่ะแน่นอนก็อาจจะมีดอกไม้เคยกลิ่นดอกไม้สัมผัสลมเย็นเห็นไหมฮะก็ตาหูจมูกอไอ้ลิ้นอาจจะไม่มีนะอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าก็พระมาเยสีระเจาแผ่นดินเสด็จเนี่ยก็ต้องมีอาหารัะเตรียมไปเห็นไหมใช้ในทางบวกใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือน ให้คนเนี่ยมุ่งเข้าไปสู่จุดหนึ่งแต่ตรงนั้นไม่ใช่เป้าเป็นเป้าล่อเฉยๆเป้าจริงๆเนี่ยคือต้องการใเข้าขาพระพุทธเจ้าแล้วเสียงนี่ต้องการจริงๆคือเสียงธรรมและสัมผัสจริงๆเนี่ยต้องการสัมผัสทางใจแต่เราจะเห็นว่าเป้าเป้าที่เป็นเป้าจริงๆจะถูกกระตุ้นโดยเป้าล่อเพราะนั้น เมื่อนางพระนางเข้าไปพระเจ้าพิมิสารก็กริบสั่งว่าต้องนําพระนางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไว้ได้พันนานดึงก็ไปใกล้พระพุทธเจ้าไว้ได้พอไปถึงสํานักพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ล่อในรูปมีสาวสวยอายุสิบห้าสิบหกําลังถวายงานพักของพระเจ้าเป็นรูปนิมิตนะฮะรูปนิมิตขึ้นนางเห็นคนเดียวเห็นว่าพระเจ้าก็ใช้รูปเป็นเครื่องมือ ตกลงมาตรงนี้ปัญหาว่าใครตําเนินการล่ะสิ่งที่คนสนใจคือรูปเสียงเกี่ยวกับกฎตะวันเหมือนกันเพียงแต่ว่าคิดแบบธุรกิจเนี่ยมันต้องการได้ผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็คือเหยื่อแต่คิดแบบธรรมะเนี่ยต้องการให้ประโยชน์แก่คนเหล่านั้นธรรมะนั้นเป็นไม่ใช่เป้าหลักไม่ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นเป้าหลัก แต่พวกเยอะวนี้มันเป็นเป้าล่อเฉยๆแล้วในสุดก็คนก็ได้สิ่งที่เขาเขาต้องการแต่ว่าในการจัด ก, การทางศาสนานั้นนั้นตาด ก, การแบบผู้อภิบาลไปสงเคราะห์ช่วยเหลือคนไปคนได้รับผลได้พบได้เห็นได้สัมผัสธรรมะในทางศาสนาแต่ว่าสื่อนี่เราสังเกตนะ ใช้ตันหาใช้ตันหาเป็นเครื่องมือแล้วก็ละตันหาเพื่อเพื่อใช้ตันหาเพื่อละตันหามันก็เปลี่ยนไปด้วยในทีสุดพระนางเคมาก็บรรลุมรคผลเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังธรรมะในคราวนั้นเห็นไหมฮะคนต่อต้านธรรมะแท้ๆเลยจะมีวิธีการจัดการที่ผ่านขั้นตอนต่างๆม า, าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเต้าล่อกลับไม่มีความหมายเลยเลยเต้าหลัก ซึ่งเป็นแก่นแท้ที่ต้องการเนี่ยเจ้านางก็พอใจในเป้าตรงนั้นด้วยต้องฝังเมื่อไหร่ได้รบมาโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูุ์ในธรรมตุมีแล่ท่านผู้ฟังเมาหลายโดยทั่วกันสวัสดี